27. ราชะพะตะวัตถุว่าด้วยราชพัตรบรรพชาพระเจ้าพิมพิสารทูลขออนุญาตข้อ90สมัยนั้นเขตชายแดนของพระเจ้าพิมพิสารจอมธรรมครัชเกิดความวุ่นวายขึ้นเท้าเธอทรงรับสั่งเหล่ามหาอามานผู้เป็นแม่ทับนายกองว่าท่านทั้งหลายจงไปปราบเขตชายแดนให้สงบ เหล่ามหาอามาตย์เป็นแม่ทัพนายกองทูลรับสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัฐขณะนั้นพวกทานที่มีชื่อเสียงต่างมีความปริวิตกว่าพวกเรายินดีในการรบจะไปทำบาปกรรมและจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยอุบายอย่างไรหนอพวกเราจะพึงเว้นจากกรรมชั่ว แะทำกรรมดีได้เล่าถ้าหาเหล่านั้นก็มีความคิดว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าพวกเราจะพึงบรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรไซด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจะพึงเว้นจากกรรมชั่วและทํากรรมดีได้ จึงพากันเข้าไปขอการบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้การบรรพชาให้อุปสมบทเหล่ามหามาตผู้เป็นแม่ทับนายกองถามพวกราชพัฒว่าทหารผู้มีชื่อนี้และมีชื่อนี้หายไปไหนพวกราชพัฒเรียนว่าทหารผู้มีชื่อนี้และมีชื่อนี้ไปบรรพชาในหมู่ภิกษุแล้วขอรับเหล่ามหามาตผู้เป็นแม่ทับนายกองพากันตําหนิประนามพลทนาว่วา ชไะนพระสมณะเชื่อสายสกยบุตรทั้งหลายจึงได้ให้ราชพัฒรบรรพชาเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพิพิสารจอมธรรมคตรัฐให้ทรงทราบ